2. องัตภาพหมายถึงความมีร่างกายสมบูรณ์ประกอบด้วยพลานามัยสามารถทำสิ่งที่ควรทำได้ตามต้องการพลานามัยของร่างกายนี้เป็นสิ่งสำคัญความดีจะให้ผลเต็มที่ต่อเมื่อร่างกายสมบูรณ์ด้วยเช่นเรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นใดชั้นหนึ่งนับว่าได้ความดีมาจะเรียนต่อไปได้จนสำเร็จ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 มีโอกาสส่งเสริมแต่เมื่อเพลียงพล้ำลงเมื่อใดการชั่วก็มีโอกาสให้ซ้ำเติมเมื่อ น, นั้น 3. การละสมัยหมายถึงว่าในการสมัยที่สมบูรณ์มีผู้ปกครองดีมีหมู่ชนที่ดีกรรมดีก็มีโอกาสให้ผลได้มากกรรมชั่วก็อาจสงบผลอยู่ก่อนเพราะในการสมัยเช่นนี้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 แต่ในการสมัยที่มีความสงบเรียบร้อยก็เป็นไปตรงกันข้ามต่างไปเล่าเรียนศึกษาประกอบการงานกันตามปกติ 4. การประกอบกรรมหมายถึงการประกอบกระทำในปัจจุบันถ้าประกอบกระทาที่ดีที่ชอบอยู่ในปัจจุบันกรรมชั่วที่ทำไว้ในอดีตก็อาจยังระงับผลหรือแม้กำลังให้ผลอยู่แล้วก็อาจเบาบางลง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 เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่งรับราชการได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแห่งหนึ่งแต่บุรุษผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ต่างๆของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพฤริการแต่ก็ยังไม่มีใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าวเพราะกลัวอานาจบุรุษผู้นั้นกาเริบยิ่งขึ้น ถึงกลับไปผิดในบุคคลที่เป็นใหญ่กว่าตนมีอำนาจยิ่งกว่าตนจึงถูกจับไปเข้าเรือนจำและประกาศให้ประชาชนที่ถูกขม่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษจึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อยตั้งพันุรุษนั้นจึงถูกลงโทษไปตามความผิดเรื่องนี้พึงเห็นความเปรียบเทียบดังนี้เวลาทีุ่รุษนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกำลังรุ่งเรือง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 ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งของต่างๆมีก้อนหินก้อนดินกิ่งไม้ใบหญ้าเป็นต้นลงมาของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อนส่วนของที่มีน้าหนักน้อยกว่าก็ตกถึงพื้นดินภายหลังโดยลำดับก ร, รมก็ฉ่ น, นั้นกรำที่หนักให้ผลก่อนส่วนกรำที่หนักน้อยกว่าหรือเบาวกว่าก็ให้ผลตามหลัง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 กำเวนฝากไว้ก่อนเธอะร้อยถึงที่เราบ้างนายขอคิดผูกใจไว้เมื่อถูกนายกอข่มเหงขณงร้ายต่อเมื่อนายขอได้โอกาสก็ทำร้ายนายกอตอบแทนนายก็ก็ทำร้ายนายขอตอบเข้าอีกแล้วต่างก็ทำร้ายตอบกันไปตอบกันมาตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าเวนบางร้ายผูกเวนกันไปชั่วลูกชั่วหลาน บางรายผู้ใหญ่ผูกเวรกันแล้วยังห้ามไม่ให้บุตรหลานของตนผูกมิดกันอีกด้วยถือว่าไปผูกมิตรกับลูกหลานศัตรูมิใช่แต่ต้องร้ายแรงจึงเรียกว่าเวรถึงรายย่อยๆดังการตอบโต้กันในวงดา่าวงชกต่อยก็เรียกว่าเวรเช่นานายก็ด่านายขอชกต่อยนายขอก่อนนายขอก็ด่าตอบชกตอบ แล้วต่างก็ด่าต่างก็ชกต่อยกันอุตรุดบางทีวงวิวาทขยายออกไปคือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลิ้งพล้ําก็ไปบอกพักพวกร่วมคณะร่วมโรงเรียนให้ปล่อยโกรธแล้วยกพวกไปชกต่อยต่อสู้กันขยายเวรออกไปบางรายเด็กทะเลาะกันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้ากับเด็กที่เป็นบุตรหลานของตนก็ออกต่อว่าต่อปากต่อคําวิวาดกัน เวรวงเล็กก็ขยายออกเป็นเวรวงใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทะเละวิวาทการสาใหญ่ๆมีใช่น้อยที่เกิดจากมูลเหตุที่เล็กนิดเดียวดังนิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวทําให้เกิดสงครามกลางเมืองวงเวรในระหว่างบุคคลให้เกิดความเสียหายในวงแคบส่วนวงเวรในระหว่างหมู่คณนะให้เกิดความเสียหายในวงกว้างออกไป ยิงวงเวนในระหว่างประเทศชาติในระหว่างค้ายของชาติทั้งหลายยิ่งให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางตลอดจนถึงทั้งโลกเหล่านี้เป็นเรื่องของเวนทั้งนั้นฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจควบคู่กันไปกับเรื่องกรรมเวนคือความเป็นศัตรูกันของบุคคลสองคนคือสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งก็กรรมเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้นตอบแทนเวนจึงประกอบด้วยบุคคลสองคนหรือ2ฝ่ายคือผู้ก่อความเสียหาย1ผู้รับความเสียหาย1บุคคลที่2นี้ผูกใจเจ็บแค้นจึงเกิดความเป็นศัตรู ก, กันขึ้นนี่แหละคือเวนเวนเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่2คือผู้รับความเสียหาย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 ก็ไม่เกิดเป็นเวณขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความเกิดเป็นเวณขึ้นจึงเพราะบคุคคลที่สองเป็นสำคัญเห็นอย่างง่ายๆในเรื่องเวณสามัญเมื่อมีใครมาทาความล่วงเกินอะไรเล็กๆน้อยๆต่อเราเมื่อเราไม่ผูกอาคาดเขาและเราก็ไม่เกิดเป็นสัตรู ก, กันคือไม่เกิดเป็นเวณกันนั่นเองเหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง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 ไม่เป็นตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจทย์เมื่อกล่าวโดยปกติไม่ใช่แกล้งกันแล้วโจทย์ก็คงไม่ฟ้องชั้นใดก็ดีบุคคลที่1 น, นั้นเองเป็นมูลเหตุของเวนเพราะเป็นตัวการก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อนเวนเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่1ซึ่งทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่สองและเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่สองซึ่งทำตอบด้วยดังเช่น นายกอ่อข่านายขอลักทรัพย์ของนายขอนายขอจึงผูกใจอาฆาตเกิดเป็นเวรกันขึ้นนี้ก็เป็นพระกรรมของนายกอ่อนั่นเองซึ่งทำเกตนายขอและนายขอก็ผูกใจตอบฉะนั้นเวรจึงเกี่ยวแก่กรรมของบุคคล น, นั่นเองที่ยังให้เกิดความเสียหายเจ็บแค้นแก่คนอื่นกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละเว้นในศีห้า คือการฆ่าสัตว์หนึ่งการลักทรัพย์หนึ่งการประพฤติผิดประเพณีในทางกามหนึ่งการพูดเท็จหนึ่งการดื่มน้ำเมา1เรียกว่าเวนหหรือไพห้เพราะเป็นกรรมที่ก่อเวนก่อไพ่ทั้งนั้นเช่นการฆ่าสัตว์ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่งผู้ถูกฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่เวนคู่ไพ่กันการลักทรัพย์ก็มีผู้ลักทรัพย์ฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่เวนคู่ภายกันดังนี้เป็นตัวอย่างกล่าวโดยรวบรัดเวนเกิดจากกรรมที่ก่อความเสียหายให้แก่ใครใครนั่นเองผลของกรรมได้แสดงแล้วว่าผลดีต่างๆเกิดเพราะกรรมดีผลชั่วต่างๆเกิดเพราะกรรมชั่วส่วนผลของเวนคือความทุกข์ที่บุคคลสองฝ่ายผู้เป็นศัตรูคู่เวนก่อให้แก่กัน กรรมเมื่อให้ผลดแล้วก็หมดไปเหมือนอย่างผู้ต้องโทษครบกำหนดแล้วก็ผนโทษส่วนเวรเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นยังผูกใจเป็นศัตรูกันอยู่ตราบใดก็ยังไม่ระงับตราบนั้นแต่เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายเลิกเป็นศัตรูกันเมื่อใดเวรก็ระงับเมื่อนั้นฉะนั้นเวรจึงอาจยาวก็ได้สั้นก็ได้สุดแต่บุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องสัตว์บางชนิดพบ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 ดังจะกล่าวโดยย่อต่อไปมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วว่าพระเจ้าพรมทัตครอบครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพระณสีในรัตกาศีได้เสด็จกรีธาทัพไปย่ำยีพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลพระเจ้าทีคีติทรงประมาณกําลังเห็นว่าจะต่อสู้ไม่ได้จึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนคร ปลอมพระองค์เป็นปริภาชก ค, คือชีปะขาวไปทรงอาศัยอยู่ในบ้านของนายช่างหม้อที่ฉานเมืองพารณสีซึ่งเป็นนครของราชสตรูฝ่ายพระเจ้าพรมทัตก็ทรงยกทัพเข้าครอบครองแกว้นโกศลต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีตทิทรงพระคันเกิดอาการแพ้พระคันโดยทรงอยากทอดพระเนตรกองทัพประกอบด้วยองค์สกองช้าง กองมา้ากองรถและกองราบในเวลาอาทิตย์ขึ้นและอยากจะทรงดื่มน้ำล้างพระขันจึงกราบทูลพระราชสวามีพระเจ้าทีคีติพระราชสวามีได้ตรัสห้ามพระนางก็ตรัสยืนยันว่าถ้าไม่ทรงได้ก็จะสิ้นพระชนครั้งนั้นพระามปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระสหายของพระเจ้าทีคีติ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 พระเจ้าโกส่ประทับอยู่ในพระขันแล้วกล่าวรับรองจะจัดการให้พระนางได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพทั้งสี่เหล่าและได้ดื่มน้ำล้างพระขันรามปุโรหิต จ, จึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลว่าได้เห็นนิมิตบางอย่างขอให้ทรงจัดกองทัพสี่เหล่าให้ยกออกตั้งขบวนในสนามในเวลารุ่งอ ร, รุณวันพรุนี้และให้ล้างพระขัน พระเจ้าพรหมทัตทรงอํานวยตามพระมเหสีพระเจ้าทีคีติจึงได้ทออพระเนตรกองทัพแต่ได้ทรงดื่มน้ําล้างพระขันสมอาการที่ทรงแพ้พระขันต่อมาได้ประสูตรพระโอรสตั้งพระนามว่าทีขาวุเมื่อทีขาวุกุมารเติบโตขึ้นพระเจ้าทีคีติทรงส่งออกไปให้ศึกษาศิลปศาสตร์อยู่ภายนอกพระนคร พราะทรงเกรงว่าถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็จะปรงพระชนเสียทั้งสาพระองค์ต่อมานายช่างกระบกของพระเจ้าทีกีติซึ่งมาอาศัยอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นพระเจ้าทีกีติที่จามพระนครก็จำได้จึงไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้สงทราบพระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้จับพระเจ้าทีกีติ พร้อมทั้งพระมเหสีมาแล้วรับสั่งให้พัฒ น, นาการให้กวนพระเสียนให้นำตระเวนไปตามถนนต่าง ๆ, างๆทั่วพระนครแล้วให้นำออกไปภายนอกพระนครให้ตัดพระองค์เป็นสี่ท่อนทิ้งไว้สีทิศพวกเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชาในขณะที่เขานำพระเจ้าทีคีติกับพระมเหสีตะเวนไปรอบพระนครนั้น ทีขาวกูมาได้ระลึกถึงพระราชมารดาพระราชบิดาจึงเข้ามาเพื่อจะเยี่ยมก็ได้เห็นพระราชบิดาพระราชมารดากำลังถูกพัฒ น, นาการเขากำลังนำตระเวนไปอยู่จึงตรงเข้าไปหาฝ่ายพระเจ้าที่คีติทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสกาลังมาแต่ไกลก็ตรัสขึ้นว่าพ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นยาวอย่าเห็นสั้น พ่อทีคาวูเวนทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวเลยแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่ผูกเวนพอพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ยินพระราชดำรัสนั้นก็พากันกล่าวว่าพระเจ้าทีกีติเสียพระสติรับสั่งเพ้อไปพระเจ้าทีคีติก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้เสียสติผูติเป็นวินยูจะเข้าใจและได้ตรัสซ้าๆความอย่างนั้น ถึงสมครั้งเมื่อพวกเจ้าหนะ้าที่นำตระเวนแล้วก็นำออกนอกพระนครตัดพระองค์ออกเป็นสี่ท่อนทิ้งไว้สีทิศแล้วตั้งกองรักษาทีข่าววุกุมานได้นำสุราไปเลี้ยงพวกกองรักษาจนเมาฟุบหลับหมดแล้วเก็บพระศพของพระมาณดาบิดามารวมกันเข้าถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็เข้าป่า ทรงกันแสงคร่ำครวญจนเพียงพอแล้วก็เข้าสู่กรุงพระนศีไปสู่โรงช้างหลวงฝากพระองค์เป็นสิทธิ์นายหัตถาจารย์ในเวลาใกล้รุง่งที่ขาวุกุมานมักตื่นประทมขึ้นทรงขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะและดิดพินพระเจ้า พ, พรหมทัตได้ทรงสดับเสียงรับสั่งถามทรงทราบแล้วตรัสให้ทีขาวุกุมารเข้าเฝ้า ครั้นท้าพระเนเห็นทีขาวุก็โปรดให้เป็นมหาดเล็กในพระองค์ทีขาวุกุมารได้ตั้งพระไทยปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัตจนเป็นที่โปรดปรานมากในไม่ช้าก็ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ประจําในตําแหน่งเป็นที่วางพระราชรัไทยในภายในวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อทีขาวุกุมารเป็นนายสารถีรถพระทินั่ง ได้นำรถพระราชที่นั่งแยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ครั้นไปไกลามากแล้วพระเจ้าพรหมทัต ท, ทรงเหน็ดเหนื่อยมีพระราชประสงค์จะบัรทมพักจึงโปรโดให้หยุดรถแล้วทรงบัรทมหนุนบนเปลือคือหน้าตักของตีคาวุอยู่ครู่เดียวก็บัรทมหลับฝ่ายตีขาวุคิดถึงเวรขึ้นว่าพระเจ้าพรหมทัตนี้ได้ทรงประกอบ กำก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมากจนถึงปรงพระชนพระมารดาพระบิดาของตนบัดนี้ถึงเวลาจะสิ้นเวรกันเสียทีจึงชักพระขันขึ้นจากฝักในขณะนั้นพระราชดำรัสของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในฮาไทยของทีฆามุ ก, กุมารเตือนให้คิดว่าไม่ควรละเมิดคำของพระราชบิดาจึงสอดพระขันเข้าฝัก ครั้นแล้วความคิดที่เป็นเวรก็ผุดขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สองที่คาวุกุมารก็ชักพระขันขึ้นจากฝักแต่เมื่อระลึกถึงพระราชดำรัสของพระราชบิดาก็สอบพระขันเก็บอีกในครั้งที่สามก็เหมือนกันที่คาวุกุมารชักพระขันขึ้นแล้วด้วยเวรจิตแล้วก็สอบพระขันเก็บด้วยอำนาจพระราชดำรัสของพระราชบิดาในขณะนั้น พระเจ้าพรหมทัตทรงสะดุ้งเสด็จลุกขึ้นโดยจับพลันมีพระอาการตกพระไทยกลัวทีฆาวุกุมาจึงกราบบังคมทูลถามจึงรับสั่งเล่าว่าทรงพระสุบินเห็นทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าทีคีติแทงพระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขันท์ท่านใดนั้นทีฆาวุกุมารก็จับพระเสียนของพระเจ้าพรหมทัตด้วยหัดซ้ายชักพระขัน์ออก ด้วยพระหัตถ์ขวาทูลว่าเรานี่แหละคือทีคาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติซึ่งพระองค์ได้ทําความทุกยากให้อย่างมากมายจนถึงปรองพระชนพระราชบิดาพระราชมารดาของเราปัจนี้ถึงเวลาที่เราจะทําให้สิ้นเวรกันเสียทีพระเจ้าพรหมทัตจึงมอบลงขอชีวิตทีคาวุกุมารทูลว่า ข้าพระองค์อาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไรพระองค์นั้นเองพึงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์พ่อทีคาวุถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้ชีวิตแก่เราและเราก็ให้ชีวิตแก่เจ้าพระเจ้าพรหมทัตและทีคาวุกุมารทั้งสองจึงต่างให้ชีวิตแก่กันและกันต่างได้ทําการสบถสาบานว่าจะไม่คิดทรยศต่อกัน คั้นแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับรถที่คาวุกุมารก็ขับรถมาบรรจบพบกองทหารแล้วขับเข้าสู่พระนครพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ประชุมอมัดตรัสถามว่าถ้าพบทีคาวุกูมารราชโอรสพระเจ้าทีกีติจะพึ่งทําอย่างไรอมัดเหล่านั้นกราบทูลว่าให้ตัดมือตัดเท้าตัดหู ตัดจมูกบ้างให้ตัดศีรษะบ้างพระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่าผู้นี้แหละคือทีฆาวุกุมานโอรสพระเจ้าทีคีติแต่ใครจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากุมาร น, นี้ให้ชีวิตแก่เราแล้วและเราก็ให้ชีวิตแก่กุมาร น, นี้แล้วและทรงหันไปตรัสขอให้ทีฆาวุกกุมารอธิบายพระดารัสของพระราชบิดาในเวลาที่จะสิ้นพระชนม์ ตีคาวุกุมานจึงกราบทูลอธิบายว่าคำว่าอย่าเห็นยาวคืออย่าได้ทำเวรให้ยาวคำว่าอย่าเห็นสั้นคืออย่าด่วนแต่กับมิตรคำว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวรคือถ้าข้าพระองค์คิดว่าพระองค์ทรงปรองพระชนพระราชมารดาบิดาของข้าพระองค์ จึงปรง n พระชนของพระองค์เสียพวกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ก็จะพึงปรงชีวิตของข้าพระองค์ส่วนคนที่ชอบข้าพระองค์ก็จะพึงปรงชีวิตพวกคนเหล่านั้นเวีนจึงไม่ระงับลงได้โดยเวีนอย่างนี้แต่ว่าบัดนี้พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้ว เวนั้นจึงเป็นอันระงับลงด้วยความไม่ผูกเวรพระเจ้าพรหมทัตตรัสสรรเสริญแล้วพระราชทานคืนราชาสมบัติของพระเจ้าทีคีติและได้พระราชทานทิดาแก่ทีคาวุกุมารเรื่องนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ได้ส่งพระนิพนธ์เป็นคําฉันท์ไว้เรียกว่าทีคาวุคําฉันท์ นิทานเรื่องระงับเวรที่เล่านี้เป็นเรื่องโบราณยังมีนิทานระงับเวรในระยะเวลาใกล้ๆนี้คือในสงครามโลกคราวที่แล้วเมื่อญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยจับฝรั่งมาเป็นเฉลยกำหนดให้ทำงานต่างๆคนไทยก็พาการสงสารเฉลยฝรั่งและแสดงเมตตาจิตสงเคราะห์จนเห็นพวกชาวบ้านหาบคอนผลไม้ไปคอยให้พากันช่วย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 จึงจะให้อภัยในเรื่องร้ายแรงได้ซึ่งก็มีส่วนน้อยและถึงแม้จะให้อภัยในส่วนตัวแต่กฎหมายบ้านเมืองไม่ยอมอภัยให้ก็มีและโดยเฉพาะเมื่อเป็นบาปหรือเป็นอกุศลกรรมแล้วกา ร, รที่ตนก่อขึ้นไม่ให้อภัยแก่ผู้ก่อกรรมนั้นเลยฉะนั้นทางที่ดีจึงควรมีสติระมัดระวังมีขันติคือความอดทน มีโสรั จ, จคือความสงบส ง, งียมคอยเจียมตนประหยัดตนไม่ก่อเหตุเป็นเวนเป็นภัยแก่ใครพระพุทธเจ้าจึงตรัสไ ว, ว้ว่าสั้นยมโตเวรังณนะจียติผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวรเรื่องความเข้าใจเรื่องกรรม